64วัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เท่าสังเกตดูกิยาอาการของครูบาอาจารย์ท่านมีอัธยาศัยดีพูดเสียงดังฟังชัดเมื่อริษยาโยมจะเรียกว่าพอ่อแม่การเทศอบรมท่านก็เทศไม่มากแต่ดูแล้วเมื่อคนไหนที่ได้ฟังเทศท่านแล้วจะติดใจอยากจะฟังอีกจนในเวลาต่อมา ชื่อเสียงท่านได้กระชอนไปไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนทราบแต่ว่าญาติโยมที่มากราบถวายพระตาหารท่านได้มีคนต่างถิน่นเพิ่มมากขึ้นทุกวันในแต่ละปีจะมีญาติโยมนำลูกหลานมาฝากให้ท่านอบรมสั่งสอนและบวชให้เป็นจำนวนมากและหนึ่งในจำนวนที่เคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยจากท่านเห็นจะเป็นพ่อใหญ่ทิศสา ของแพ้วผู้ได้เข้ามาบวชกับครูบาอาจารย์เท่าและได้ลาสิขาไปมีครอบครัวถึงจะมีโอกาสน้อยพ่อใหญ่ก็ไม่เคยทิ้งนิสัยที่ได้ผ่านการฝึกหัดจากครูบาอาจารย์มาเป็นอย่างดีเช่นปกติพ่อใหญ่จะออกไปพักที่ท้องทุ่งนาคนเดียวตลอดพ่อใหญ่บอกว่าทุ่งนาทาให้สบายไม่ พ, พลุกพลานด้วยคนและเสียงรบกวนต่าง เมื่อการทาความเพียรสวดมนต์ไหว้พระกิจเหล่านี้พ่อใหญ่ถึงจะมีครอบครัวแล้วก็ไม่เคยขาดพ่อใหญ่แล้วว่าชีวิตผมถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐคงไม่มีวันนี้ในช่วงที่บวชกับครูบาอาจารย์เท่าก่อนบวชต้องโกนผมโกนคิ้วเป็นปะขาวถือศีลแปดทดสอบจิตใจเสียก่อนอย่างน้อยเจ็ดวัน ห้าวันถ้าท่านพิจารณาเห็นว่าประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดของท่านได้ท่านจึงจะให้บวชเป็นสัมมนเนรศึกษาข้อวัดปฏิบัติรู้จักอาบัตต่างๆของพระพุทุอย่างท่องแท้จึงจะได้บวชเป็นพระตามลำดับในแต่ละช่วงเป็นการตเตรียมความพร้อมเพราะท่านถือว่าถ้าทำตามข้อวัดปฏิบัติไม่ได้ การที่จะคิดไปรักษาธรรมวินัยซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนมันยากมากเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆท่านถือเป็นสำคัญมากผมไม่เคยเห็นพระรูปไหนมาก่อนเลยที่จะละเอียดเท่าครูบาอาจารย์เท่าเรื่องอาหารการกบฉันการนอนการนั่งการพูดการคุยการลับถ่ายต่างๆท่านจักกำชับพระเนนยันได้มองข้าม เช่นอาหารการกบฉันท่านห้ามกัดห้ามแทะการตัดไม้ไงดินทําให้ดินแยกออกจากกันโดยขุดหรือวิธีอื่นซึ่งบริการเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีวรเป็นบาตรต้องเคารพรักษาถือเป็นของสูงแม้ต่การกบฉันอาหารที่เป็นเศษเป็นเดน ต้องทิ้งที่กระโถนห้ามวางกระโถนรึกของที่เป็นเศษเป็นเดนลงในฝาบาดเด็ดขาดท่านบอกว่าของเล็กเล็กน้อยเหล่านี้ถ้าทำไม่ได้จะทำให้ชีวิตนักบวชเศร้าหมองเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านยึดถือว่าเป็นงานหลักของพระเนนที่จะต้องทาเป็นจิจวัตร ตอนเช้าตีสาตีสี่หรือไก่ขันตีดตะคังรวมนั่งสมาธิว่าพระสวดมนต์ท่านจะอบรมถึงสว่างจัดที่ฉันเสร็จแล้วออกรับบินทบาทกลับมาถึงวัดจัดอาหารออกจาก บ, บาททากิจรอญาติโยมที่บ้านอยู่ไกลจะตามมาถวายจังหันประมาณสองโมงเช้าแจกอาหารแต่ก่อนครูบาอาจารย์เท่า ท่านจะแจกเองต่อมาให้พระที่รองจากท่านเป็นคนแจกฉันเสร็จกราบพระพร้อมกันเข้าทางเดินจงกรมถึงประมาณห้าโมงเช้าพักเล็กน้อยประมาณบ่ายสามโมงตีตาคือกวาดลานวัดท่านจะลงมาทาร่วมกับพระเนนทุกครั้งเสร็จแล้วอาบน้ำส่งน้ำเข้าทางเดินจงกรมอีกประมาณหนึ่งทุ่ม ร่วมกันทำวัดเย็นเสร็จประมาณสองทุ่มกว่าท่านจะไม่อบรมตอนเย็นแต่ท่านให้เข้าทางเดินจงกรมต่อส่วนมากดึกมาหน่อยประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มท่านจะเดินออกตรวจพระเนนถ้าท่านเดินไปเห็นพระเนนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิท่านจะพูดให้กำลังใจเออทำไปถ้าไปกุติไหนไม่เห็นพระเนนเดินจงกรม ท่านจะเรียกสองสามครั้งไม่ตอบท่านจะว่าตูดนี่บวชมาวิจะกินกับนอนมันจะเห็นอะไรท่านว่าพระเนนบวชมาถ้าทำความเพียเรเดินจงกรมนั่งสมาธิน้อยกว่าวันละสามชั่วโมงให้ลาศิขขาไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินซะอย่ามาทูงความเจริญให้ตัวเองอยู่เลยถ้าคิดจะไปทำอะไร ก็ให้ออกไปทำเลยถ้ามีพระเนนขาดกิจวัตรท่านจะไม่ตำหนิตอนนั้นส่วนมากเมื่อทำวัดเสร็จท่านจะยกตัวอย่างจากที่นั่นที่นี่บ้างสุดท้ายก็มาลงที่ว่าที่วัดเราอย่าให้มันมีนะห5สิ้าเอาไว้ช่วยกินขนมการสอนรู้สิธิ์ครูบาอาจารย์เท่าท่านจะใช้เหตุผลในการสอนเป็นหลัก ไม่ให้เชื่อใขง่ายๆจนกว่าคิดหาเหตุผล ท, ที่น่าเชื่อถือได้แล้วจึงจะตัดสินและการตัดสินต้องเป็นธรรมหลวงพ่อขี่เล่าว่าหลวงตาสุดท่านบวชเมื่อแก่และมาขออยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เท่าที่บ้านคุม้มเพื่อจริตนิสัยหลวงตาสุดแกขยันในกิจชวะต่างๆไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิ ปัดกวาดวิหารลานเจดีแกไม่เคยขาดไม้ แ, แกชอบฉันแตงโมงเป็นชีวิตจิตใจจะให้สองลูกสามลูกก็ฉันหมดบางครั้งครูบาจารย์เท่าก็ได้ร้องห้ามให้ แ, แกเป็นโรคประจําตัวคือเป็นขี้มู ก, กาดคือเป็นหวัดไม่หายน้ำมูกไหลตลอดบางครั้งเวลาฉันข้าวน้ำมูกออกก็ฉันไป สุดน้ำมูกไปแม้กระทั่งไปฉันในบ้านโยมก็ไม่เว้นทำให้พระเนนที่ไปด้วยอายยากโยมแทนที่แนะนำเรื่องดังกล่าวไปฟ้องครูบาอาจารย์เท่าท่านก็พูดทีเล่นทีจริงว่าเอาท่านไว้นั่นแหละเผอว่ามีขนมเยอะจะได้มีคนช่วยฉันหลวงตาถึง ท, ท่านจะดูน่าเกลียดน่ากลัวแต่ท่านก็มีสิ่งที่ดีอยู่ 66เข้าหมาผู้บาอาจารย์เท่าเป็นประทิคของท่านอย่างหนึ่งคือท่านจะสอนคนโดยที่ในตอนแรกคนที่ถูกสอนนั้นจะไม่ทราบว่าท่านสอนและต้องเป็นได้เรื่องเกือบทุกรายแต่พอนานไปจึงคิดได้บางครั้งคนที่ถูกสอนต่างหาเรื่องใส่ท่านผลสุดท้ายต้องยอมท่านทุกรายนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง ทุกวันท่านจะเข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านและทุกวันโยมก็จะออกมาใส่บาตรตามประเพณีทุกเช้าเมื่อรับบิณฑบาตไปถึงบ้านโยมผู้ชายคนหนึ่งปกติก็มาใส่บาตรทุกวันเช่นกันส่วนมากจะใส่แต่ข้าวเปล่าและวันนี้ก็เช่นกันูุบาตจา์เท่าท่านได้พูดกับชายคนนั้นว่าบะเห็นตหมาน่ะที่กินข้าวไม่มีกับข้าว เมื่อได้ยินดังนั้นชายคนนั้นได้ทำตาขวางใส่ท่านพระเนรที่ไปรับบิณฑบาตตามหลังครูบาอาจารย์เท่าก็าไม่คิดอะไรเพราะเห็นท่านพูดลักษณะนี้บ่อยพอตกตอนเย็นโยมที่ครูบาอาจารย์พูดด้วยเมื่อเช้าได้ถือขันดอกไม้ทุบเทียนมากราบขอขอมาท่านและได้พูดว่าโอ้ยขอขมาโทษด้วยขอรับ กระผมได้คิดโกรธให้พระอาจารย์นึกว่าท่านพระอาจารย์ว่าให้เมื่อเช้านี้เพราะใส่บาดเร็จได้จุ่งควายไปนาต่วันบ่ายจะมากินข้าวรองท้องสักหน่อยแม่บ้านลืมเอาอาหารใส่ไปด้วยแต่ก็กิ่นได้สองสามคำมันกลืนไม่ลงชึนดิดทิ้งข้าวก้อนนั้นให้หมากินหมาแย่งกันกินเฉยจึงได้คิดว่าเรามันคิดผิด ที่ไปคิดโกรธให้ครูบาอาจารย์พระท่านพูดถูกแล้วข้าวหมาคือข้าวไม่มีกับข้าวนี้เองเกือบตกนรกแล้วสิเรา67พระเนนจะดีต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐเคยเล่าให้หลวงพ่อกี่ฟังว่าพระเนนบุดเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าจะดี ต้องได้อยู่กับครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นคนสอดสอ่องดูแลพฤติกรรมอุปนิสัยของนักศึกษาแต่ละคนไม่วควรจะบอกจะสอนในลักษณะใดเพราะมานะทิฏฐิของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านเล่าว่าสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์เสาครูบาอาจารย์มั่นแต่ก่อนทิฏฐิมานะของท่านนั้นใคร จะมีเท่าท่านได้ในโลกนี้เพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นคนขัดออกให้ประทุ้งออกให้บางครั้งครูบาอาจารย์ท่านดูบางครั้งท่านก็พูดอิคิดบางครั้งให้ไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครไปก็ใส่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์จะได้อดทนอดกลั้น ก็ทําตามที่ท่านบอกท่านสอนท่านบอกอยากก็อยา่าท่านบอกไม่ก็ไม่ถึงมันจะฝืนก็ต้องทนท่านไม่ใช่ครูบาอ า, า, าจารย์เสาครูบาอาจารย์มั่นท่านคงจะปล่อยทิ้งแล้วหกิบแดูให้ลึกๆที่กลัเขาว่าผู้บาอาจารย์เท่าเป็นคนดุเก่งอารมณ์รุนแรงผู้กระโชกโคกหาก พระใหญ่ทิศาเล่าว่าครูบาอาจารย์เท่าท่านพูดเสียงดังก็จริงแต่เท่าที่อยู่จําภาษากับท่านไม่เคยเห็นว่าท่านจะโกรธแล้วดูด่าใครทั้งพระทั้งโยมแม้แต่มโยมมากราบท่านท่านยังพนมมือรักกาดและการใช้คําพูดกับโยมจะเรียกพ่อแม่บางครั้งท่านจะทําเหมือนโกรธเช่นก็มีคนอ้อนวอนขอหวยขอเบอร์จากท่าน ท่านจะทำเหมือนดูแต่พอโยมคนนั้นไปท่านก็จะพูดกับโยมคนอื่นเฉยเหมือนไม่มีอะไรโดยเฉพาะพระเนนไม่เคยที่ท่านจะดุดา่าเสื่อมากจะเปรียบเทียบให้ฟังผู้มีปัญญานำไปคิดเอาเอง69เสียนปราบผีเมื่อคนไม่เข้าถึงเะธาทมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ก็ถือเอาต้นไม้บ้างภูเขาบ้างจอมปลวกบ้างเป็นที่พึ่งอันสูงสุดโดยเฉพาะเรื่องผีสางตัวเสนียดจันไรต่างๆถือว่าต้องให้ความยำเกรงเหนือสิ่งอื่นใดเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆได้ถ้าไปทำผิดหรือทำไม่ถูกตามที่สิ่งเหล่านั้นต้องการ สิ่งตอบแทนก็คือผีเข้าเจ้าศูนเจ็บไข้ต่างๆสิ่งที่แก้ไขได้คือบ่นบานให้สิ่งตอบแทนและถ้าไม่หายก็ต้องหาสิ่งอื่นมาลบล้างคือสิ่งที่เหนือกว่าผีคือหมอผีดอนบักบ้าที่บ้านคุม้มเป็นที่เชื่อกันว่าผีดุเมื่อครูบาอาจารย์เท่าท่านพาพระเนน ก็อยู่ได้โดยไม่มีอะไรทำให้ความเชื่อถือในตัวท่านมีมากกว่าผีเป็นเหตุให้ชาวบ้านแถบนั้นเกิดศรัทธาได้ที่เพิ่งใหม่ท้าที่ไหนมีผีดุต้องหมายนิมนต์ท่านไปแก้ตามความเชื่อตลอดผู้ใหญ่จา์กีเล่าว่าสมัยเมื่อท่านเป็นจตุนิรงส์กบครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐท่านได้ไปปราบผี กับครูบาอาจารย์เท่าอยู่บ่อยอาวุธคาถาอาคมของครูบาอาจารย์เท่าท่านก็ไม่มีอะไรมากมีแต่ไม้เท้าที่ใช้ประจําเมื่อไปถึงก็ใช้ไม้เท้าประทุงไปที่ต้นไม้โพรงไม้ที่ชาวบ้านเชือว่าเป็นแหล่งที่อยู่ของผีนั้นพร้อมถามและพูดเหมือนกับพูดกับคนมีชีดทั่วไปเพื่อให้ชาวบ้านได้ยิน เออชาวบ้านเขาทำมาหากินอยู่นี่กะอย่าได้ไปกวนเขาได้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็เดินกลับทำให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจขึ้นครูบาอาจารย์เท่าจะได้ถูกยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นเซียนปราบผีเพราะท่านไม่สอนให้เชื่อผีผีจึงไม่มีท่านจะสอนให้พระเนนใส่ใจ ธรรมวินัยให้มากข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำวัดเช้าทำวัดเย็นต้องทำให้ได้ส่วน ญ, ญาติโยมท่านจะสอนหน้าที่ของญาติโยมที่จะปฏิบัติต่อพระสงฆ์ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวให้รู้จักทานรักษาศีลจนญาติโยมเข้าใจในวันคะ จะมีญาติโยมมารักษาศีลมากขึ้น เ, เรื่อยเมื่อญาติโยมได้ทิตพึงที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจแล้วถือว่าการทำงานเผยแผ่พระศาสนาได้ฝังลึกมั่นคงเจ็ดสิบวัดป่ามณีรัตนวณารามก่อนหน้าลุงปู่ครูบาอาจารย์เท่าชะละสังขารไม่กี่เดือน พ่อใหญ่แท่งเอกชริได้ปรึกษาพ่อใหญ่เขียนพ่อใหญ่กันหาพ่อใหญ่ผัดและชาวบ้านว่าคุณบาอาจารย์ท่านก็มาพักกับพวกเราก็นานแล้วจึงอยากถวายที่ดินที่ติดกับโนนบักป้าเพื่อสร้างวัดถวายท่านลูกหลานจะได้มีสถานที่การประพฤติปฏิบัติตามแนวที่ท่านได้สั่งสอนมาทุกคนก็เห็นด้วย จึงนำเรื่องดังกล่าวไปกราบเรียนท่านท่านก็ได้ห้ามตามอุปนิสัยท่านแต่ด้วยเหตุผลและหลักการของพ่อใหญ่แท่งพร้อมทั้งชาวบ้านที่หนักแน่นท่านจึงยอมและท่านได้ให้ใช้ชื่อว่าวัดป่ามณีรัตนะว่านารามซึ่งตามหลักฐานในที่ต่างๆท่านไม่เคยตั้งชื่อวัดหรือก่อสร้างอะไร ให้เป็นหลักฐานวารวัตถุแต่อย่างไรเมื่อท่านจากไปคุติศาลาที่สร้างนันก็ผกพังไปด้วยวัดมณีรัตนวนารามจึงเป็นวัดแรกวัดเดียวที่กูบาจาร์เท่าท่านจำพรรษานานที่สุดและท่านได้ตั้งชื่อวัดด้วยตัวท่านเองจึงถือได้ว่าเป็นมรดกชิ้นเดียวที่เป็นหลักฐานแทนองค์ท่านที่ฝากไว เป็นอนุสติจะเหล่าสิทธิอนุสิ์เพื่อํำลึกถึงองค์ท่าน71วัดป่าติวบ้านโคกสว่างพ่อใหญ่จานกิบ้านหนองฮีอําเภอปลาปากจังหวัดนครพนมเล่า ว, ว่าสมัยเป็นสมณี น, นให้ศึกษาปฏิบัติกับครูบาจานชาที่วัดป่าเมธาวิเวครูบาจานชา เล่าถึงปฏิปทาของครูบาจารย์เท่าทองรัตให้ฟังต่อมาเมื่อบวชเป็นพระได้สองพรรษาทราบข่าวว่าครูบาอจารย์เท่าอยู่ที่บ้านคุม้มจังหวัดอุบลรัชธานีพัจกิและพักโกชิลิชวนกันไปตามหาเพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับครูบาอจารย์เท่าท่านก่อนที่จะเดินทางไปถึงบ้านคุม้มได้แวะกล่าว ครูบาอาจารย์ชาที่วัดหนองป่าพงได้พักปฏิบัติที่วัดหนองป่าพงนานพอสมควรแลได้ฝึกทําบริขารเช่นยิ้มพระตรัยจีวรจนคล่องและจึงได้กราบลาครูบาอาจารย์ชาเดินทานต่อไปที่บ้านคุ้มก่อนเข้าพรรษาได้มีโยมที่บ้านโคกสว่างนิมนต์ให้ครูบาอาจารย์เท่าไปสร้างวัดเพราะยังไม่มีวัดครูบาอาจารย์เท่า จึงไปพร้อมพระโกพระกิลุงพ่อคุณซึ่งบวชในธรรมยุตินิกายได้มาขออยู่ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เท่าชัมม้นมะเนนเดชซึ่งเป็นหลานชายครูบาอาจารย์เท่าและได้มีชาวบ้านนำลุกชายมาบวช ด, ด้วยสองคนในพรรานั้นจึงจำพรรษาด้วยการเจ็ดรูปญาติโยมที่ช่วยการสร้างกุฏิพอได้หลบฝนครบทุกรูปญาติโยมขอท่าน จะสร้างให้ใหญ่โตแข็งแรงท่านก็อย่างไม่แห่สร้างพรรษานั้นได้สร้างเสนาสนะชั่วคราวคือโรงธรรมส้วมและมีกุฏิครบทุกรูปในพรรษานี้ครูบาอจารย์ที่เป็นลูกศิษย์บวกกับครูบาอจารย์เท่าท้องรัฐหลายพรรษาได้แยกย้ายกันไปจำพรรษาในที่ต่างๆให้ครูบาอจารย์ใหม่จำพรรษาอยู่วัด มณีรัตน์วนารามบ้านคุม้มคุบาจา์เจียงจามาศที่วัดป่าบ้านชีทวน 72.1. หนึ่งเดียวที่ส่งคุณค่าพ่อใหญ่จานกิเล่าถึงสาเหตุที่ได้รูปครูบาจา์ว่าตามปกติท่านให้ใครถ่ายรูปได้ง่ายๆและกล้องถ่ายรูปก็มีน้อยแม้กระทั่งครูบาจารเท่าเล่าสังขารแล้ว บางครั้งไม่ยมจะไปถ่ายรูปที่เจดีย์ท่านถ้าไม่กราบขอถ่ายรูปก่อนอยังถ่ายไม่ติดในช่วงหนึ่งที่บ้านโคกสว่างมีพระเพื่อนจตหมิกของพระโก้พระกิได้ไปเยี่ยมและมีกล้องถ่ายรูปไปด้วยจึงขอโอกาสถ่ายรูปครูบาอาจารย์เท่าแต่ท่านไม่ยอมไม่ถ่ายที่ขอทัดหลายวันผลก็เหมือนเดิมในที่สุดพระกิ เป็นนิมนต์ท่านห่มจีวรพร้อมผ้าสังขาตินิมนต์ท่านนั่งเก้าอี้และกราบขอถ่ายรูปในวลา น, นั้นนั่นเองทำให้ท่านไม่มีทางที่จะเลี่ยงคำรูกศิตได้จึงมีรูปท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นเจสิบสามไผว่าเนื้อหมูมันผิดช่วงในภาษาทุบาจา์เท่า ท่านอาพาธเป็นโรคประดงปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อเวลาจะลุกจะเดินปวดระบมไปทั้งตัวหมอได้มาตรวจและบอกไม่ให้ฉันเนื้อหมูเด็ดขาดเพราะโรคจะกําเริบเวลาฉันพระโกพระกิซึ่งเป็นพระอุปทาจะต้องคอยดูแลเรื่องอาหารไม่เอาเนื้อหมูถวายท่านเมื่อรับประเคนจากโยมแล้ว ถ้าไม่ใช่เนื้อหมูจึงถวายท่านเพราะท่านจะถามก่อนต้องตอบให้เราถ้าตอบช้าต้องถูกดุท่านจะทําทีเล่นทีจริงกับลูกศิษย์บ่อยๆท่านลับแล้วก็ส่งต่อให้พระเนรรูปต่อไปเมื่อเป็นเนื้อหมูจะไม่ถวายท่านจะส่งต่อไปเลยมีอยู่คราวหนึ่งท่านเห็นเนื้อย่างพระอุปทากรู้ว่า เป็นเนื้อหมูจึงไม่ถวายท่านแต่ท่านก็แย่งเอาจนได้เมื่อฉันเสร็จลูกศิษย์ต้องคอยเป็นห่วงท่านกลัวท่านจะไม่สบายพอตกตอนบ่ายท่านกลับเดินไปไหนมาไหนได้สบายซึ่งผิดจากเมื่อก่อนถ้าฉันเนื้อหมูต้องเป็นได้เรื่องทุกครั้งแต่ครั้งนี้ท่านกลับไม่เป็นไรและยังพร้อมพูดล้ อ, อ ก, กับลูกศิษย์ว่าเห็นไหม ใครบอกว่าเนื้อหมูแสลงโลกในพรรษาท่านจะพาพระเนรปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทาวัดจวดมนต์ตลอดทั้งพรรษาไม่จะคอยสอดจ่องดูพฤติกรรมของลูกศิษย์ไม่ให้กล้าสายตาท่านบอกว่าหน้าที่ของพระของเนรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ ทุกคนที่บวชเข้ามาต้องตั้งใจทำให้มันเป็นอุปนิสัย74ประเพณีบุญกระินสมัยนั้นเมื่อออกพันษาที่วัดป่าติว้วบ้านโคกสว่างญาติโยมได้รวมกันจัดตั้งกองกะถินมาทอดถือว่าเป็นปีแรกที่มีวัดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านนี้และเป็นปีแรกที่มีการร่วมกัน จัดงานบุญกระถินขึ้นโดยก่อนออกพรรษาชาวบ้านได้ร่วมกันทอผ้าที่ได้จากการนำปุ๋ยฝ้ายมาปัน่นทำเป็นเส้นแล้วนำมาทอกีถึงจะเป็นผ้าที่มีเนื้อหยาบแต่ละเอียดในขั้นตอนการทำจึงได้ผ้านั้นมาตัดเปลี่ยนผ้าที่ท่านใช้เป็นประจำซึ่งขาดจนจะใช้งานไม่ได้อยู่แล้วพระโกพระกิก็ได้อาศัยความรู้ จากเมื่อครั้งไปพักและเรียนเย็บผ้ากับครูบาจานชาที่วัดหนองป่าพงโดยครูบาจาย์เท่าจะเป็นคนฟั้นได้และพระเนนเป็นคนช่วยขันเย็บเย็บปลายด้วยท่านจะเล่งลุ้นไปด้วยเมื่อเย็บเสร็จนำไปซักและย้อมน้ําเขี้ยวแก่นขนนจนได้สีในวันนั้นจึงนำมากากราดกฐินหลังจากนั้นหลายวันต่อมาพระโก้พระกิ ที่ได้กราบลาท่านเพื่อไปกราบครูบาจารย์บุญมากที่วัดภูดมิรงประเทศลาวและจำพรรษาได้หนึ่งพรรษาส่วนท่านได้พาพระเนนออกวิเวกใกล้แถบนั้นและเมื่อเข้าพรรษาที่ได้กลับไปจำที่บ้านคุ้มอีกส่วนวัดปาติ้วให้ลูกศิษย์ไปอยู่แทนเจบธรรมะอันสูงสุด พ่อใหญ่กูลิงเป็นคนเจ้าคำพีอาศัยว่าได้เรียนมามากจึงไม่ยอมฟังใครง่ายๆเมื่อทราบข่าวว่ามีพระทุดงมาพำนักอยู่ที่บ้านคุม้มจึงได้มุ่งหน้าไปหาเพื่อลองวิชาหรืออย่างไรไม่ทราบได้ได้ไปถามปัญหาต่างๆกับครูบาจารย์เท่าเป็นนานสองนานถามจุดไหนครูบาจารย์เท่าก็แก้จุดนั้นนั้นได้ จนพระเนนที่นั่งอุปถากพิกแล้วลิกอีกก็ยังไม่ยอมเลิกถามปัญหาตั้งแต่ชันเสร็จจนตะวันบ่ายเ่อเห็นเท่ากุลิงหมดปัญหาถามแล้วผู้บาอาจารย์เท่าจึงชวนเท่ากุลิงว่าอยากเห็นไหมธรรมะอันสูงสุดจะพาไปดูพร้อมทั้งด้ห่มจีวร พาสังคาติอย่างดีพาเท่ากุลิงเดินไปหลังกุติพอไปถึงเห็นตอไม้ถูกเผาดำเป็นตอตะโกผู้บาาจารย์เท่าได้ใช้เท้าถีบไปที่ตอไม้นั้นอย่างแรงจนตอไม้ล้มลงพร้อมพูดว่านี่แหละธรรมะอันสูงสุดแล้วเดินกลับไปให้เท่ากุลิงยืนดูตอไม้ ที่ล้มลงอย่างงงงวยคนเดียวเจเข้าวัดพระหวยในช่วงที่ท่านจำภรรษา ท, ที่บ้านคุ้มจะมีโยมมากราบท่านมากขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งถ้าคนไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะคิดว่ามีงานบุญประจำปีคนที่มาส่วนใหญ่รู้กิติศัพท์ท่านดีว่าท่านเทศไม่เหมือนคนอื่นท่านจะพูดตรงและถูกด้วย พูดไม่กลัวใครโกรธและคนส่วนมากก็ไม่เคยฟังเทศในแนวท่านนี้มาก่อนจริงมันของแปลกใหม่สาหรับคนที่เพิ่งมาได้ยินได้ฟังและมีบางคนบอกว่าท่านให้หวยแม่นพ่อใหญ่เขียนแล้วว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่บ้านคุ้มจนถึงท่านล่วงไปก็ไม่เคยเห็นว่าท่านจะบอกหวยอะไรถ้าท่านบอกจริงผมรวยก่อนเพื่อแล้ว และพ่อใหญ่เขียนได้มีโอกาสถามท่านตัวต่อ ต, ต, ตัวว่าท่านพระอาจารย์ครับจริงๆหรือที่เขาว่าที่พระอาจารย์รู้หวยรู้เบอร์คนถึงได้มาหาพระอาจารย์มากท่านตอบว่าคนอย่างท้องรัฐไม่รู้ของเหล่านี้จะไม่ขอขี้ใส่ช่วมดอกมีตัวอย่างให้ดูมากมายที่ท่านพูดแต่คนนนำ แปแปลเป็นหวยบางครั้งท่านจักโน่นจักนี่ก็ตีกันไปเท่าที่อยู่ใกล้คิดท่านก็ไม่เคยเห็นใครจักคนที่ ร, ร่ำรวยพระหวยแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคนทำไมถึงชอบนักชอบหนาไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ใช้คลาดกวาดใบไม้อยู่มีโยมคนหนึ่งมาอ้อนวอนใหท่านบอกหวยแต่ท่านก็กวาดเฉยทำไม่สนใจ โยมคนนั้นได้อ้อนวอนหนักเข้าหนักเข้าท่านนดยกคาดไล่ตีพร้อมทั้งพูดว่าไปหนีไปโคตรพ่อคนแม่แกทําไมถึงได้รบกวนจังจะทําอะไรก็ไม่เป็นอันธรรมทั้งไล่ทั้งทําท่าจะตีพระเนรที่เห็นบอกว่าถ้าท่านตีจริงๆโยมคนนั้นจมดินไปแล้วโยมคนนั้นโกรธท่านมาก ได้บอกชาวบ้านว่าท่านดาบรรพระบรุษเขาไม่สมกับเป็นพระเป็นเจ้ากาว่าจะรวมกันขับได่ท่านออกไปจากวัดเมื่อไปพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อเขากลับแนะนำว่าไม่ใช่ท่านให้หวยหรือคิดให้ดีหลังจากหวยออกแล้วชายคนนั้นทาเหมือนไม่เคยโกรธครูบาอาจารย์เท่ามาก่อนได้ประปนเข้าไปวัด พร้อมกับญาติโยมที่ไปถวายพัะ ต, ตาหารและแกล้งเอาคาดที่ครูบาอาจารย์ท่านไลต่ตีมากว่าดลานวัดพร้อมทั้งได้นับปันคาดบวกกับกิริยาที่ท่านทำเหมือนโกรธที่คนอีสานว่าสูนนั่นเองเมื่อแปลออกมาชายคนนั้นถึงกับตบหัวตัวเองอย่างแรงที่คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านโกรธจริงๆต่อมาชายคนนั้น ได้เข้าวัดอยู่บ่อยๆจนในเวลาต่อมาได้เป็นโยมอุปถากประจำของวัดเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็เลิกเล่นโดยไม่มีใครบอกราวปาฏิหาริย์77สกิจครูบาอาจารย์ความพลังเผลอหรือความผิดพลาดต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนพระครูกมลภาวนากรได้เล่า ว, ว่า เป็นปกตธิธรรมดาของครูบาอาจารย์เท่ากับลูกศิษย์ต้องติดตามทุกสุขกันตลอดตามธรรมะวินัยทั้งครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ต่างจะเปิดโอกาสให้เตือนกันได้เพื่อกันความเศร้าหมองอันอาจจะเกิดขึ้นรูบาอาจารย์ทองรัตถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมและใจกว้างพอที่จะยอมรับคาที่คนอื่นเตือนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ทั้งพระทั้งโยมท่านไม่เคยที่จะถือตัวแต่อย่างไรผิดก็ยอมแก้ยอมปรับปรุงครูบาอาจารย์บุญมากซึ่งเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์เท่าท่องรัฐอยู่ที่วัดภูมะรงแขวงจำปาสักประเทศลาววันหนึ่งได้ทราบว่าครูบาอาจารย์เท่าจะไปเยี่ยมจึงได้ให้พระเนนเก็บกวาดทาความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย เพื่อต้อนรับครูบาอาจารย์และได้ให้โยมซื้อน้ำหอมมาพรมตามกติและที่อาสนะรองรับเพื่อเกิดความหอมทั้งที่รู้ว่าคุบาอาจารย์เท่าทะานเน้นหนักมากเรื่องนี้จะเป็นการลองหรืออย่างไรไม่ทราบได้เมื่อครูบาอาจารย์เท่าไปถึงได้ไปรับยามล้างเท้าท่านและนำนิสีธนะ ท่านไปปูทับอาสนะที่จัดไว้แล้วเมื่อครูบาอาจารย์เท่าท่านขึ้นไปนถึงกําลังก้มกราบพระอยู่นั้นท่านได้กลิ่นน้ําหอมขึ้นท่านจับผ้านิสีตนะได้พร้อมกับพูดในเชิงดูว่าพระนี่ไม่รู้จักอะไรอยู่ไกลหมู่คณะไกลครูบาอาจารย์อยากทําอะไรก็ทําไม่กํานึงถึงธรรมวินัยนี่และได้เดินลงกุฏิไป ครูผ้านิสิธนะที่ใต้ร่มไม้ผู้บาอาจารย์บุญมากจึงได้ประกราบท่านและแกล้งกราบเปลี่ยนท่านว่าขอโอกาสขนนอยโยมก็มีศรัทธาสร้างกุฏิใหม่จึงอยากให้ครูบาอาจารย์ได้อนุโมธนาตามประเพณีเขาให้แน่ครูบาอาจารย์เท่าถูกคิดขึ้นนิดหนึ่งและพูดเรื่องอื่นต่อไป 78. เตือนสติลูกศิษย์ การทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังเป็นการสอนที่ครูบาอาจารย์ชอบใช้กับลูกศิษย์เพราะการใช้คำพูดบางครั้งบางสถานการณ์อาจไม่เหมาะสมแต่ถึงอย่างไรการเตือนสติหรือให้สติก็เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อผู้ถูกเตือนเพราะความผิดพลาดถ้าดูเองแก้ไขเองบางครั้ง อาจมองเห็นไม่ทั่วถึงทุกอย่างครั้งหนึ่งครูบาจานชาวัดหนองปากพงซึ่งอยู่ในย่านที่ใกล้ความเจริญท่านจะกลัวลูกสิษ์เพิดเพลินอยู่ในเอกลาภหรืออย่างไรไม่อาจทราบได้ได้ไปกราบครูบาจานบุญมากที่วัดภูมโรงประเทศลาวปกติครูบาจานบุญมากท่านชอบลองชอบทดสอบถึงความรอบคอบ แต่ธรรมวินัยต่างๆท่านทาบากุาบาจารย์ชาเป็นพระที่ละเมียดในธรรมวินัยรูปหนึ่งจึงได้จัดกุฏิให้รกรุงรังไม่เหมือนกับที่เคยทำในปกติที่เคยนุ่งห่มผ้าแก่นขนก็น เ, เก็บผ้านั้งไว้นำผ้าสีเหลืองสีขาวที่ไม่ไย้อมมนุ่งนำผ้าสะบงว่าห่มแทนจีวร น, นั่งสุบุรีมวนโตโต พร้อมเขียวหมากให้หกเรียราดไปหมดไม่เหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาปกติทุกวันเมื่อครูบาจานชาได้ไปถึงไม่รู้ว่าจะกราบลงตรงไหนเพราะมีแต่ของและฝุ่นเต็มไปหมดผู้บาจา์ชาได้พูดเชิงตำหนิว่าโอ้ยพระอาจารย์ได้ทราบทำอย่างไรทำไมให้ลูกศิษย์เอาเป็นตัวอย่างได้ ครูบาอาจารย์บุญมากก็เลยพูดว่าโอ้ยไม่รู้จะทำอย่างไรอยู่ตามชนบทจะเลือกใช้เลือกสอยเหมือนกับในเมืองมันก็ทำไม่ได้มีอีกคราวหนึ่งครูบาอาจารย์บุญมากได้มาเยี่ยมครูบาอาจารย์กิที่วัดสนามชัยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีปกติครูบาอาจารย์กิท่านไม่ชอบแปลงฟัน ทำให้มีกลิ่นปากเวลาพูดกับคนที่ไปร่วมเสวนาด้วยทำให้เกิดความรังเกียจเมื่อครูบาอาจารย์บุญมากกลับไปไม่นานได้ฝากไม่เจียที่พระใช้เป็นแปลงสีฟันและยาสีฟันเกลือมาให้ครูบาอาจารย์กีเพราะมีจดหมายว่าท่านกีให้ช่วยใช้ไม้สีฟันให้ด้วยพอกะว่าจะหมดก็ฝากมาอีกทาอยู่หลายครั้ง จนครูบาจารย์กิจใจอ่อนยอมใช้เจสิบเก้าเกิดเองตายเองก่อนหน้าที่ครูบาจารย์เท่าจะละสังขารระบาลเดือนหนึ่งท่านไิ้พาพระเนนพร้อมญาติโยมหาฟืนตัดถนนจัดสถานที่เหมือนกับทางวัดจะมีงานบุญอะไรสักอย่างทุกคนที่ทำงานต่างก็สงสัยว่า ทางวัดจะจัดงานอะไรถามท่านท่านก็บอกให้รีดเตรียมเยอะจะไม่ถ่านการตัดถนนก็ตัดให้กว้างกว้างเพราะรถจะมาเยอะทั้งที่ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมานานจะมีรถเข้ามาครั้งหนึ่งบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นรถเลยก็ยังมีรถที่ไหนจะมาที่นาที่เป็นหลุมเป็นบอ่อ เมื่อเกี่ยวเก็บข้าวเสร็จก็ให้ปรับให้เรียบร้อยการเตรียมสถานที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมเกือบเดือนแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีญาติโยมหรือใครต่างถิ่นมาติดต่อว่าจะมีงานอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้พาโยมไปตัดต้นไม้ตกแต่งสถานที่แถวริมห้วยข้าสารท่านได้เอ่ยขึ้นเป็นที่เล่นทีจริงว่าเมื่ออัตมาตาย กลัวจริงๆกลัวคนเขาจะเอากระดูกไปขายกินถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าอาตมาตายก็ให้ากันรีบจัดการเผาและโปรกระดูกลงห้วยเข้าสานี่นะปลาจะได้กินเป็นประโยชน์กว่าเพราะคุณบาจารย์เท่าคือคุณบาจารย์เท่าจึงยากจะหาใครเปรียบเหมือนท่านได้ราว่าเรื่องการปฏิบัติการเทศนา การใช้อุบายการสั่งสอนลูกศิษย์ตลอดทั้งกิจวัตรอันงดงามต่างๆที่ท่านฝากไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์อนุชนรุ่นหลังและเป็นที่พึ่งของญาติโยมท่านทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของสาธุชนทั้งหลายบ่อยครั้งการใช้อุบายการสอนท่านต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงบ่อยครั้งการสอนของท่าน ต้องเอาชื่อเสียงเกียรติยศเข้าแรกเพียงเพื่อต้องการลบรอยฝ้าที่ฝังอยู่ในจิตใจปุถุชนทั้งหลายให้ใสสว่างขึ้นเพื่อรองรับรถพระธรรมวัดทุกวัดกุฏิทุกหลังตลอดทั้งปัจจัยสี่ที่ท่านได้อาศัยพำนักบำเพ็ญเพียรตลอดทั้งใช้เป็นสถานที่ ในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ไม่เคยปรากฏเป็นหลักฐานให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นอนุสติแม้แต่ชิ้นเดียวคงเหลือแต่วัดมณีรัตน์วนารามและเจดีสององค์ที่บรรจุอธิฐาของท่านที่คณะสิทธิ์สร้างถวายเพื่อเป็นที่ระลึกกราบไหว้ที่องค์ท่านมีพระคุณ อเนกนานักประการหาเสมอเหมือนไม่มีทองรัฐชื่อนี้เคยดังกระชอนไปทั่วเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากพระอาจารย์ทั้งสองคือพระเดชพระคุณพระครูวิเวกพุทธกิจหลวงปู่เสากันตศสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสัมมนเนน ตลอดทั้งเป็นที่ศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปในยกย่องเปรียบท่านเสมือนเป็นมนทัพนายกองธรรมใหญ่เผยแผ่แนวทางการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานฝ่ายมหานิกายด้วยปฏิปทาอันโดดเดี่ยวของครูบาอาจารย์เท่าท่านไม่เคยยอมให้มีสิ่งใดเป็นใจรักแทนตัวท่านเมื่อยามท่านจากไปจึงยาก บุคคลจะรู้จักแท่านจึงเป็นชตตะบุรุษเที่โลกเลิมเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ยากที่จะหาใดเปรียบได้เมื่อจัดสถานที่เกือบเสร็จสมบูรณ์ที่พอจะรองรับผู้ที่อาจจะมาจากทางไกลได้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือสองคืนที่ผ่านมาดวงจันทร์เคยแจ่ม บงบอกเลิกแห่งพระจันท์เต็มดวงแต่ค่มคืนนี้ดวงจันทร์นิ่มดงบลงมากาศในบ้านคุ้มบ้านโคกสว่างและหมู่บ้านใกล้เคียงไปเงียบวังเวงกว่าทุกวันสุนักที่เคยเห่าไก่ที่เคยขันกลับไม่ได้ยินเสียงให้ต่างสิบบ้านร้างชายที่เป็นผู้นำของครอบครัวทุกคนต่างมุ่งหน้าสู่ วัดโนนบักบ้าหลวงปู่ผู้บาจานเท่าปกติเป็นคนแข็งแรงสูงใหญ่ผิวหมึกบึกบึนเสียงห้าวราวกับราชสีอยากนักที่คนจะได้เห็นกิริยาล้มหมอนนอนเสือแต่ทุกคนต้องได้ประจักษ์ในคืนนี้เองแม้กระนั้นไอ้หวที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายให้เร่งภาวนา อย่าเสียเวลาในการมาเฝ้าไข่เลยพ่อไมเป็นอะไรมากดอกทุกคนที่มองดูอาการของคุบาจารย์เท่าต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืนนี้คุบาอจารย์เท่าดูอ่อนเพลียมากเนื่องจากท้องร่วงตั้งแต่เย็นวานนี้มองดูดวงจันทร์ช่างเดินเชื่องช้าเหมือนคนเดิน อยู่กลางทุ่งกุหลาร้องไห้จริะเกินทุกคนได้แต่ภาวนาให้สว่างเร็ ว, รวตลอดทั้งคืนทุกคนก็แปลกใจที่ทุกวันเมื่อถึงเวลาประมาณตีหนึ่งและตีสี่ไก่ซึ่งเคยเป็นนาฬิกาที่ไม่เคยผิดพลาดแต่ทำไมคืนนี้นาฬิกาไก่จึงไม่ทําหน้าที่ขันเหมือนกับทุกวัน อาการของครูบาอาจารย์เท่าจะเริ่มสุดลงเรื่อยๆทุกคนต้องทุรนทุรายเมื่อเห็นอาการของครูบาอาจารย์เท่าเป็นเช่นนั้นแสงสว่างของพระอาทิตย์เริ่มสาดส่องเป็นสัญญาณของวันใหม่ทุกคนต่างก็ล้องอกและปรึกษากันว่าจะไปตามหมอที่บ้านโคกสว่าง แต่ท่านพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าไม่ต้องไปดอกลูกเอ๋ยพ่อบอกเป็นอย่างดอกทุกคนจึงเงียบและเฝ้ามองดูอาการน่าเป็นห่วงของท่านต่อเมื่อเห็นสีหน้าครูบาอาจารย์เท่าแห้งเผื่อดซีดริมฝีปากแห้งพ่อใหญ่เขียนสิ่งเคารพและศรัทธาในตัวท่านมาก นั่งเฝ้าดูอาการท่านตลอดคืนไม่เคยหลับเมื่อเห็นอาการดังกล่าวผู้บาจารย์จะห้ามก็ถือเป็นหน้าที่ขององค์ท่านแต่คิดได้อย่างเดียวขณะนั้นคือหน้าที่เราที่เป็นลูกศิษย์จะต้องทำให้สมบูรณ์ที่สุดจิงควาได้พากระมาคาดพุงทั้งวิ่งทั้งเดินข้ามทุ่งนาจุดหมายคือ หมอที่บ้านโคกสว่างแต่ถึถงกระนั้นก็ช้าไปเสียแล้วเมื่ะวิ่งไปได้ไม่ถึงครึ่งทุ่งนาลมหายใจของครูบาจามเท่าได้แผ่วเบาลงตามลำดับไปในที่สุดในเวลาแห่งแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแสดงบอกถึงเวลาแห่งการเริ่มวันใหม่อันเป็นเวลาเดียวกันกันกบ การเดินทางของผู้บาอาจารย์เท่าสิ้นสุดลงในวันศุกร์แรมสองค่ำเดือนสิทธตรงกับวันที่21กันยายน2 4 9พรบาผู้บาอาจารย์เท่าได้ทิ้งสังขารอันสุดโทรมไปโดยไม่มีเยื่อใ่อีกต่อไปรวมสิริอายุได้ 68ปดปี42พรรษาสร้างความเศร้าโศกให้แก่สิทยิอนุสิ์ที่อยู่เบื้องหลังหาประมาณไม่ได้80เตรียมงานถวายเพลิงสรีระกุบาราจา์เท่าเมื่อวันที่ท่านสิ้นลมลูสิิธิ์ของท่านทั้งพระทั้งโยมไม่ได้ยินข่าว ต่างก็พากันมาอย่างนนทหลามครุบาอาจารย์บุญมากลูกศิษ์รูปต้นต้นก่อนที่ครูบาอาจารย์เท่าจะละสังขารได้นิมิตว่าภูมิโรง่งให้สันสะเทือนไปทั้งรูกได้คิดว่าสิ่งนี้คงเป็นนิมิตเตือนให้ทราบว่าครูบาอาจารย์เท่าใกล้จะจากไปแล้วจึงได้สัตตาหะมาที่บ้านคุ้มเมื่อมาถึงก็เป็นตามนิมิตที่เกิดขึ้นจริง และท่านได้เป็นกำลังเป็นองค์ประธานในการจัดการสรีระของครูบาอาจารย์เท่าอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเคารพและเทิดทูนในพระคุณของครูบาอาจารย์เท่าชาวบ้านชีทวนเมื่อทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์เท่าได้ล ะ, ละสังขารไปแล้วได้พากการตั้งหน้ามาเพื่อจะขอนำสรีระท่าน กลับไปทำบุญที่บ้านชีทวนแต่ชาวบ้านคุ้มไม่ยอมให้จึงเกิดโกลาหลวุ่นวายขึ้นเป็นเวลานานพ่อใหญ่แท่งพ่อใหญ่กันหาพ่อใหญ่เขียนพ่อใหญ่ผัดและชาวบ้านคุ้มได้คัดขานว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมให้ไปเด็ดขาดถึงจะตายก็ยอมชาวบ้านชีทวนเห็นความเด็ดเดี่ยวดังนั้นจึงยอมแต่มีข้อแม้ว่า ต้องทำให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของครูบาจารย์เท่าและขอให้ช่างตกแต่งจากชาวบ้านชีทวนชื่อจานครูหมาผ่องแพ้วมาเป็นช่างตกแต่งพ่อใหญ่ทั้งหลายและชาวบ้านจึงรับปากจานครูหมาจึงได้ตกแต่งจริระและหีบเพื่อบรรจุรล่อสร้างเมนด้วยหีบจะทาข้างหนึ่งเป็นกระจก ปิดเปิดได้เพื่อคนปิดแผ่นทองได้ส่วนเมนได้นำเข่งกว่า200ลูกมาทำเป็นฐานและเป็นเชื้อเพลิงในตัวชั้นถัดขึ้นมาเป็นสรีระกุบาจานเท่ามันจุหีบชั้นล่างและชั้นบนมันจุกี้เรื่อยเมื่อตกแต่งเมนเสร็จประมาณเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2,500 ได้กำหนดพิธีถวายเพลิง โดยมีทั้งพระทั้งโยมมาร่วมงานเป็นจานวนมากทุ่งนาที่มีเนื้อที่สุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยคนและรถพระเนรต้องข้ามไปปกรดอีกฝั่งของห้วยเข้าสารส่วนญาติโยมจะทำเป็นผามยกรานเอาใบมะพร้าวมามุงเป็นหลังคากันแดดใช้แทนเต็นใช้ใบตองเหียงหรือใบชาติ เยบเป็นผานชนะใส่อาหารเพราะช่วยจานที่มีไม่พอใช้ลุงพอ่ออวนเล่าว่าหลังจากทราบข่าวครูบาอาจารย์เท่าทองรัฐบรณภาพความเศร้าโศกได้ครอบคลุมถึงบ้านหนองหีนครพนมและได้พากันไปถวายเพลิงครูบาอาจารย์เท่าเป็นจำนวนมากโดยการนั่งรถไปแต่ไม่มีทางลัดยางจะมีเฉพาะทางเกวียนเป็นหลัก ผู้ไปร่วมงานมีทั้งพระเนนและญาติโยมเป็นจํานวนมากมีหลวงพ่อบุญมากที่ตาปุณโยวัดภูมะโรงหลวงพ่อชาจุพัทโทวดัดหนองป่าพงหลวงพ่อสายจารุอวโนวัดป่าหนองยาวหลวงพ่อกิธร ม, มุตตโมวัดสนามชัยหลวงพ่ออ้วนปะกคุโนวัดป่าจันทิยาวาด วันนั้นลูงพ่อกิ น, นรีจันทิโยอาพาษหนักจึงให้หลวงพ่ออ้วนไปแทนจานกีจานโกจานเจียงจานหม่และท่าน อ, าอื่นๆไปร่วมงานเป็นเสมอมากบรรยากาศในวันงานตอนเช้าปลอดโปร่งแจ่มใสดีมากไม่มีเขาว่าฝนจะตกแต่อย่างไรพอจะเริ่มพิธีตอนบ่ายท้องฟ้า เกิดปั่นป่วนพร้อมทั้งลมพัดฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเมื่อจุดายเสร็จลมจึงสงบและมีละอองฝนโปร ย, ปยทำให้คนที่มาร่วมงานต่างวิภาคษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบางคนถึงกับปิติร้องไห้เพราะศรัทธาอะไรที่มีต่อองค์ท่านตอนที่ท่านมีชีวิตท่านได้สร้างประโยชน์ไป ม, มากสุดท้าย ต้องมาจากไปตามกฎธรรมชาติไม่เหลืออะไรเป็นสมบัติพอให้ญาติโยมลุกศิษย์ได้กราบไหว้ไะรึกถึงแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อมาก็มาเปล่าไปก็ไปบริสุทธิ์จริงๆสมบัติส่วนตัวติดย่ามมีแต่ผ้าที่สีธนะและมีโกนซึ่งคมกรร จนจะถึงสันเท่านั้น